อิเมขปนายะสมันโตทเวอเนยยตาธรมาอุเทสังอาคัชันเตยโอปนาปิโกมาทุคาเมนะสติงเอกโอเอกายระห์โอปะติฉันในอสเนอัลังกามนิเยนิสัจังกะปะเฮียตะเมนังสัทธายาวจสรอุปาสิกาติสวะตินังธรรมานังอัญญตเรณวัฏยฮียปาราชิกนณวสังขติเซเซณวปาจิตเยณว เนสจังเบกุปฏิชานณมานตินังธรรมานังอัญญะตเรนักาเรตพโหปาราชิกเณวสังคาดิเซเซนวะปาจิตติเยณวะเยณวะสาสะทายวัจสาอุปาสิกาวทัยไหียเตณโสเิกุกาเรตพโหอายังธรมโมอเนียโตนาเฮวะข้อปนาปิติฉังนังอาสนังโหตินาลังกามันหียง อัลันจะข้หอติมาตุคามังตุทุลลาหิวาจาหิโอภาสิตตงยอบนาปิกูตทธาลุปเปอาสเสนมาตุคาเมนสทิงเอโกเอกายรโหนิสัชังกปะเฮีตะเมนงสัทไทยวาจสาอุปาสิกาติสวาหะทวินังธรมานังอัญญะเตเรณวทาหะฮียสังขาริเสซสเซนวาปาจิตเยนวา เนศชังปิกุปปติชานมาโนทวินังธรรมานังอัญญตเรนะกเรตาโพสังขริเซนวะปาจิตติเยนวาเยนวะสสะไทยเยวยสสะอุปาสิกาวไทยียาเตนัตโสปิกุกเรตาโพอยยมปิธรรโมอเนียโตอุติธาโคอยสมมัโตทเวอเนียตาธรรมาตถายสมมัเตปุชามิกัจจิธาปริสุทธา ทุติยมเปปุชฌะเมกจิทถาริสุทธาตุติยมเปปุชฌาเมกจิทถาปริสุทธาปริสุทเทธายสมันโตตัสมาตุเนหีเอวัมเมตังทาระยามิอนิยตุเทโสณิตโต